เมื่อคราวที่แล้วนะคะเราก็ฟังมาถึงตอนที่รัตตปาณีกุมารีผู้รึกชาติได้ว่าเธอคือลีลาวดีในอดีตสร้างความแปลกใจให้กับพ่อแม่ญาติมิตรอย่างใหญ่หลวงต่อมาเมติยะเศรษฐีซึ่งเป็นบิดาของรัตตปาณีถูกรัตตปาณีรบเร้าหลายตัวหลายครั้งว่าขอให้พามาเยี่ยมแม่ที่กรุงสาวัตถี เพื่อเป็นการพิสูจน์ให้รู้ความจริงแม่ติยเศษฐีจึงออกเดินทางมายัง ก, กรุงสาววัตีจนถึงปราสาทหลังหนึ่งคนในปราสาทหลังนั้นต่างก็ตกตะลึงอย่างงงงวยไปตามๆกันเพราะเด็กหญิงรัตะปาดีสามารถจดจำทุกคนภายในบ้านและของใช้ต่างๆได้โดยเฉพาะผู้เป็นแม่ของลิลาวดีในชาติก่อนนางระว่า ลัตตปานีคือลูกสาวของนางเองนางโผลเข้ากอดจากนั้นก็ร้องไห้ด้วยความดีใจนางได้รำพึงรำพันถึงความทุกโศกต่างๆนานาหลังจากที่ลีลาวดีได้สิ้นชีวิตเมื่อครั้งที่ลีลาวดีได้ป่วดเป็นภิกษุณีนะคะเมื่อความทุกโศกจางคลายไปทุกคนเข้าใจกันแล้วเพื่อเป็นการรับขัญ การกลับมาของลีลาวดีซึ่งในชาติใหม่นี้คือรัตตปานีญาติผู้ใหญ่จึงได้นิมนต์พระที่เชตะมนารามห้าร้อยรูปมาฉันอาหารที่บ้านโดยให้ลีลาวดีเป็นผู้ถวายอาหารเราก็ฟังกันมาถึงตอนนี้นะคะเรื่องกำลังน่าตื่นเต้นเลยนะคะเพราะลีลาวดีกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วล่ะค่ะเหตุการณ์ต่อจากนี้ไป จะเป็นอย่างไรขอเชิญท่านรับฟังได้นบัดนี้ค่ะเมื่อพระภิสุสงบริโภคพั ต, าตาหารอนุโมธนา และอำลากลับคืนสู่เยหารแล้วเมตยเสรษฐีก็ได้พูดขึ้นว่าข้าพเจ้าได้มาอยู่ในกลุ่มสาวัตถีหลายวันแล้วบัตรน้ตุละต่างๆก็เสร็จบริบูรณ์แล้วข้าพเจ้าใคร่จะขอรับเอาธิดาน้อยของข้าพเจ้าอำลาท่านกลับคืนสู่กลุ่มพราณาสีคำพูดของท่านเมตยาเสรษฐีเป็นประดุดสายอสนีบาดฟาดเปลี่ยนลงไปกลางกระหมอ่อม ของนางเครือหาปัตตานีท่านเศรษฐีผู้เจริญนางเครหปัตตานีพูดด้วยเสียงสะอื้นหลังจากนิ่งเงียบอยู่เป็นเวลานานฉ่นไหนท่านจึงพูดเช่นนั้นเล่าข้าพเจ้าก็มีส่วนเป็นเจ้าของลีลาวดีเช่นเดียวกับท่านมิใช่หรือข้าพเจ้ายัางชื่นชมลีลาวดียังไม่ทันจะอิ่มเลยท่านก็จะมาพรากเธอไปเสียแล้วท่านคงไม่ทราบดอกว่าข้าพเจ้า ต้องทุกระทมขมขืนเพียงใดที่ลูกสาวคนสุดท้องถูกมัจยุราชพรากเอาไปเป็นเวลาเกือบสิบปีและข้าพเจ้าดีใจและขอบคุณท่านเพียงใดที่ท่านนําเธอกลับมาหาข้าพเจ้าอีกท่านเสร็ฐีถอนหายใจอย่างหนักหน่วงและพูดว่าข้าพเจ้าเห็นใจท่านอย่างที่สุดแต่ท่านก็ควรจะเห็นใจข้าพเจ้าด้วยข้าพเจ้ามีลูกเพียงคนเดียวคือรัตนปาณีนี้เท่านั้น เธอเป็นที่รักดั่งดวงใจของข้าพเจ้าและมารดาที่อยู่ทางพราณาศีและทุกคนทางบ้านก่อนที่จะกรุ่มพราณาศีมามารดาของเธอกำชับหนักหนาว่าให้พารัตนปานีกลับมาให้ได้ข้าพเจ้าเชื่อว่าป่านนี้ทางบ้านคงเหี้ยบเหงาเพราะขาดรัตนปานีมารดาของเธอคงจะร้องไห้คิดถึงลูกทุกวัน ขอได้โปรดกรุณาอนุญาตให้รัตนาปานีไปกับข้าพเจ้าเถิขดขณะที่เมติยเศรษฐีและนางครือหบ ป, ปตัตนีกำลังเจรจากันอยู่นั่นเองลีลาวดีน้อยก็วิ่งมานั่งลงบนตักแม่ในอดีตชาติเสร็จแล้วก็ย้ายไปนั่งบนตักของเมติยเศรษฐีบิดาในปัจจุบันชาติด้วยท่าทางฉ่ำระประจบประแจงทำให้คนทั้งสอง มองดูตากันด้วยน้ำตาคลอทั้งท่านเสพฐีและนางครือหาปัตตานีนั่งนิ่งอยู่นานมากลีลาวดีน้อยคงจะสังเกตเห็นบรรยากาศอันตึงเครียดในขณะนี้จึงมองดูคนนั้นที คนนี้ทีแล้วถามขึ้นว่าเกิดอะไรขึ้นหรือแม่ไม่มีอะไระหรอกนางเครือหาปตานีตอบอยังไม่ค่อยเต็มเสียงแม่กับเท่นเสตีกําลังปรึกษาหาลือด้วยธุระบางอย่างลูกไปคุยกับพี่กันนิกาเขาก่อนประเดี๋ยวค่อยกลับมาลีเลววดีน้อยจ้องดูหน้าแม่อย่างงงๆแล้วก็เดินไปกอดคอเมติยะเสฐีฉลาะถามว่าเกิดอะไรขึ้นหรือพ่อ ทำไมพ่อจึงตางแดงๆล่ะพ่อร้องไห้ทำไมคำถามอย่างไรเดียงสาของทิดาน้อยดูเหมือนจะทำให้ท่านเศรษฐีเกิดความอัดอั้นตันใจยิ่งนักท่านค้มหน้ามองดูพื้นแล้วตอบด้วยเสียงเบาๆว่าไม่มีอะไรหรอกลูกพ่อเพียงแต่คิดถึงลูกเท่านั้นคิดถึงทำไมลีลาวดีน้อยถามด้วยท่าทางประหลาดใจก็ลีลาวดีอยู่นี่แล้วไง ไปเล่นกับพี่กานิกาเขาก่อนเถอะลูกนางเคหะปัตตานีพูดสอดขึ้นขอให้แม่พูดทุระกับท่านเศรษฐีสักครู่ก่อนแล้วค่อยกลับมาลีลาวดีน้อยเดินจากไปด้วยท่าทางลังเลใจหันกลับมามองดูมารดาและบิดาใหม่เป็นครั้งคราวจนหายลับไปในห้องข้างเคียงเราจะเอาอยัางไงกันดีท่านเศรษฐีนางเคหะปัตตานีถามขึ้นหลังจากลีลาวดีน้อย หายเข้าไปในห้องแล้วเมตยะเศรษฐีนั่งนิ่งคิดด้วยอาการกระสับกระส่ายอยู่ครู่หนึ่งแล้วตอบว่าเรื่องนี้เป็นปัญหายุ่งยากเกินกว่าที่ข้าพเจ้าคาดคิดไว้แต่ข้าพเจ้าก็มองไม่เห็นทางออกที่จะเหมาะสมได้ใดนอกจากจะพาทิดาน้อยของข้าพเจ้ากลับบ้านเท่านั้นนางเครือหปะปตานีมองดูท่านเศรษฐีด้วยสายตาแสดงความไม่พอใจ แล้วก็พูดขึ้นด้วยเสียงเครียดๆว่าท่านพูดอย่างกับว่าลีลาวดีเป็นลูกของท่านคนเดียวแต่ท่านเองก็รู้ดีไม่ใช่หรือเสรษฐรเมตยะพูดขึ้นว่ารัตนาปาณีเป็นลูกของข้าพเจ้าเกิดจากคันภรรยาของข้าพเจ้าโดยตรงจริงนางเครือหัตานีพูดด้วยเสียงดังขึ้นในด้านสริร่างกายลีลาวดีเป็นลูกของท่านแต่ท่านอย่าลืมนะ ว, ว่า จิตใจของเธอเป็นลีลาวดีเป็นทิดาน้อยของข้าพเจ้าอย่างเต็มที่เธอเพียงแต่ไปอาศัยท่านเกิดเท่านั้นพอเกิดและเจริญเติบโตรู้ความแล้วเธอก็กลับมาหาข้าพเจ้าตามเดิมท่านก็รู้เรื่องนี้ดีอยู่แล้วเมตียาเศรษฐีพยายามเถียงอย่างไม่ลดละกายกับใจเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ออกเมื่อกายของรัตนาปาณีไปเกิดกับข้าพเจ้า จิตใจของเธอก็เกิดกับข้าพเจ้าด้วยเธอจึงเป็นสมบัติของเราทั้งกายใจถ้าท่านถือว่าจิตใจของเธอเป็นสมบัติของท่านท่านจะเอาจิตใจของเธอไว้ก็ได้ข้าพเจ้าจะขอเอาร่างกายของเธอกลับกรุงพาราณสีท่านเศรษฐีนางครฤหปัตตานีพูดขึ้นด้วยอาการขุ่นเคืองท่านอาจจะเป็นเจ้าของหรือเป็นนายเหนือกายของใครๆก็ได้ แต่ท่านจะเป็นนายเหนือจิตใจของคนอื่นไม่ได้ท่านอาจจะเอากายของใครไปก็ได้แต่ถ้าจิตใจเขาไม่ไปด้วยในที่สุดเขาก็จะต้องกลับมาดูแต่ลีลาวดีสิเธอไปถึงกรุงพาราณสีไกลออกไปเป็นร้อยๆ้ยโยต์แต่ในที่สุดเธอก็กลับมาสู่อ้อมอกของข้าพเจ้าจนได้ในฐานะที่เราทั้งสองต่างก็เป็นนายเหนือจิตใจของลีลาวดีไม่ได้เราทําอย่างนี้ดีไหม คือให้ดีราวดีตัดสินใจเอาเองว่าจะอยู่กับข้าพเจ้าหรือจะกลับไปอยู่กับท่านเมตยาเศรษฐีนั่งก้มหน้าคิดอยู่ครู่หนึ่งด้วยความกระวนกระวายใจโดยใจจริงแล้วท่านเห็นว่าข้อเสนอแนะของนางครืห์ปัตตานียุติธรรมดีแต่ถ้าทำเช่นนั้นท่านจะต้องเป็นฝ่ายเสียเปรียบเพราะท่านรู้ดีว่าขณะนี้ทิดาน้อยของท่านกาลังชื่นชมยินดีอยู่กับมารดาและคณะญาติ ในอดีตของตนจนเกือบจะลืมมารดาทางกรุงพาราณสีเสียแล้วทั้งนี้ก็เพราะว่าเธอเคยมีอดีตอันอบอุ่นและยาวนานอยู่ที่นี่มากกว่าทางกรุงพาราณสีถ้าจะให้เธอตัดสินใจเองเธอจะต้องตัดสินใจอยู่กับมารดาที่กรุงสาวัตถีแน่นอนเมื่อเป็นเช่นนั้นท่านก็จะต้องสูญเสียธิดาสุดสวัสดิคนเดียวกลับบ้านมือเปล่าและผู้ที่จะทุกข์ ระทมตรมใจที่สุดก็คือนางเมติยามารดาของรัตนปานีซึ่งตั้งตาคอยอยู่ทางบ้านข้าพเจ้าไม่เห็นด้วยที่จะให้เด็กตัดสินใจเองเมติยาเศรษฐีกล่าวขึ้นในที่สุดเพราะเธอยังเป็นเด็กเกินไปที่จะตัดสินใจด้วยเหตุผลถ้าให้เธอตัดสินใจเองเธอจะต้องตัดสินใจตามอารมณ์ขณะนี้เธอกําลังมีความสุขสดชื่นอยู่ในบ้านเก่า ถ้ำกลางญากพี่น้องเก่าเธอจะต้องตัดสินใจอยู่ที่นี่อย่างแน่นอนท่านอยู่ในฐานะที่ได้เปรียบมากอ้าวถ้าอย่างนั้นท่านจะทําอย่างไรนางเครือห์ปัตตนีถามขึ้นก็ข้าพเจ้าบอกแล้วไงว่าข้าพเจ้าจะพาเธอกลับบ้านท่านจะพาเธอกลับโดยพละการไม่ได้นางเครือห์ปัตนีคัดค้านข้าพเจ้าไม่ยอมเด็ดขาดยอมไม่ยอมข้าพเจ้าก็จะต้องพาไป เพราะข้าพเจ้ามีสิทธิ์อย่างเต็มที่รัตนปาณีเป็นธิดาของข้าพเจ้าอย่างสมบูรณ์แต่เธอก็เป็นธิดาของข้าพเจ้าด้วยนะนางครือหาตานีกล่าวด้วยเสียงดังเกือบจะเป็นตะโกนท่านพูดเอาเองเมตยาเศรษฐีเถียงข้าพเจ้ากับภรรยาเป็นผู้ให้กําเนิดและเลี้ยงดูรัตนปาณีมาด้วยตนเองจนเติบใหญ่ส่วนท่านไม่ได้ให้กําเนิดและไม่ได้เลี้ยงดูมาเลย ท่านจะมีส่วนเป็นเจ้าของเธอได้อย่างไรเวลานี้รตนปาณีก็เป็นเสมือนแขกมาพักอาศัยอยู่กับท่านชั่วคราวเท่านั้นหรืออีกในหนึ่งเธอเปรียบเสมือนสมบัติของข้าพเจ้าซึ่งนํามาฝากท่านไว้ชั่วคราวบัตรนี้ถึงเวลาที่ข้าพเจ้าจะต้องจากไปข้าพเจ้ามาทวงเอาของข้าพเจ้าท่านก็ต้องยอมให้โดยดีจึงจะถูกถ้าท่านไม่ยอมให้ข้าพเจ้าก็เท่ากับว่า ท่านโกงข้าพเจ้าข้าพเจ้ามีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องได้เชิญเลยท่านเศรษฐีนางฤหัปตานีจีบปากพูดเชิญท่านฟ้องร้องได้ตามสบายขณะที่เมติยเศรษฐีกำลังจะเอ่ยปากโต้อตอบนั่นเองลีลาวดีน้อย ก็เดินออกมาจากห้องทําให้ทั้งสองคนหยุดชะงักกลางโต้เถียงไว้หันไปจ้องดูเด็กหญิงเป็นตาเดียวกันฝ่ายลีลาวดีน้อยก็หยุดยืนจ้องดูคนนั้นทีคนนี้ทีด้วยท่าทางงงๆงลูกลักของแม่นางกระลหาปัตตานีพูดขึ้นมหาแม่ลีลาวดีน้อยเดินช้าๆไปยังหญิงฉลาและหยุดยืนอยู่ข้างๆแทนที่จะโผล่เข้ากอด หรือตรงเข้าไปนั่งบนตักอย่างคราวก่อนๆ น, นางเครือห์ปัตานีได้เอามือขวาไปโอบกอดเธอรวมเข้ามานั่งบนตักของตนเอามือลูปศรษะด้วยความรักลูกลักของแม่นางเครือห์ปัตานีกล่าวขึ้นลูกลักแม่ไหมลีลาวดีรักแม่มากเด็กหญิงตอบเงยหน้าขึ้นจ้องดูมารดาแม่ดีใจเหลือเกินที่ได้ยินลูกพูดเช่นนี้ นางครือหปฏานีพูดด้วยเสียงสั่นๆแววยิ้มอย่างมีความสุขปรากฏขึ้นบนใบหน้าลูกอยากจะอยู่กับแม่ต่อไปหรือจะจากแม่ไปที่อื่นลูกจะอยู่กับแม่ลีลาวดีน้อยตอบอย่างไร้เดียงสาเห็นไหมท่านเศรษฐีนางเครือหปฏานีพูดขึ้นด้วยความลิงโลดใจญลีลาวดีจะอยู่กับข้าพเจ้าท่านได้ยินไหมเมติยะเศรษฐี จึงจ้องดูสองแม่ลูกด้วยสายตาเศร้าๆมาตลอดเวลาจึงได้พูดขึ้นว่ารัตนปานีลูกลืมพ่อเสร็จแล้วหรือลูกยังไม่ลืมเด็กหญิงตอบจ้องดูบิดาด้วยสายตาเศร้าเช่นเดียวกันลูกจะลืมพ่อได้อย่างไรถ้าลูกยังไม่ลืมพ่อยังรักพ่ออยู่ก็มาหาพ่อหน่อยสิทันใดนั้นดิราวดีน้อยก็ผลลุกขึ้นเดินไปนั่งบนตักของบิดาทันที นางคารืหาปัตานีได้ยกมือทั้งสองขึ้นไขว้คว้าตามแต่ก็ไม่ได้จับยึดไว้ได้อย่างไดลูกคิดถึงแม่ที่อยู่ทางกรุงพาราณสีไหมท่านเศรษฐีถามอีกคิดถึงซิเด็กน้อยตอบสั้นๆมองดูนางคารืหาปตตานีด้วยท่าทางจงบนถ้าอย่างนั้นเรากลับกรุงพาราณสีด้วยกันไหมกลับเด็กน้อยตอบตามภาษาซื่ออีก เห็นไหมพร<ก>ะคีรีเมติยเศรษฐีพูดขึ้นอย่างตื่นเต้นดีใจบ้างรัตนปาณีจะไปกับข้าพเจ้าท่านได้ยินไหมท่านใดนั้นเองความอิจฉาริษยาบวกกับความเสียหายก็เกิดขึ้นในหัวใจของนางเครือห์ปตานีอย่างท่วมทน้นนางลืมเหตุผลใดใทั้งสิน้นลุกขึ้นวิ่งตรงไปฉุดแขนดีเหลาดีน้อยแล้วพยายามดึงออกมาจากอ้อมกอดของเมตยาเสรษฐี ฝ่ายบิดาก็พยายามกอดรัดทิดาน้อยไว้อย่างแรงเหตุการณ์จุรบุญวุ่นวายก็เกิดขึ้นเสียงร้องไห้จ้าของลีลาวดีน้อยได้ช่วยเรียกให้กันนิกาและคนในบ้านทั้งหมดออกมาดูเหตุการณ์ทุกคนถึงกับตกตะลึงอ้าปากค้างที่ได้เห็นเหตุการณ์อันประหลาดนั้นเมื่อได้สติทุกคนก็วิ่งไปช่วยยื้อยุดจุดคนทั้งสามพลากออกจากกันพอเป็นอิสระ ลีลาวดีน้อยก็วิ่งไปอยู่ในอ้อมกอดของพี่สาวในอดีตยืนตัวสั่นเทิมด้วยความตกใจการโต้เถียงแย่งกรรมสิทธิ์ลีลาวดีก็ได้อุบัติขึ้นอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เมติยะเสฐีตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบเพราะตัวคนเดียวต้องถกเถียงกับคนอีกหลายคนพร้อมกันแต่ถึงกระนั้นเขาก็ยืนหยัดสู้อย่างเด็ดเดี่ยวไม่มีท่าทีว่าจะยอมแพ้คู่ต่อสู้แม้แต่น้อย เมื่อไม่สามารถจะตกลงกันด้วยวิธีใดๆทั้งสองฝ่ายต่างตกลงนำเรื่องนั้นขึ้นสู่โลงสารแห่งพระนครสาวัตถีเพื่อให้คณะตุลาการหลวงช่วยตัดสินคณะตุล า, าการได้ให้คู่ความทั้งสองฝ่ายเล่าเรื่องราวให้ฟังอย่างละเอียดตั้งแต่ต้นจนจบและได้ถามปากคาของเด็กน้อยผู้เป็นตัวประกอบด้วยหลังจากนั้นก็ได้เข้าไปประชุมปรึกษาหารือกัน อยู่ภายในห้องพิเศษเป็นเวลานานเพราะคดีนี้เป็นคดีพิเศษซึ่งมีปัญหาสลับซับซ้อนและลึกลับเกินตัวบทกฎหมายที่มีอยู่ในที่สุดประธานตุลาการได้ออกมาประกาศคำตัดสินว่าเพื่อให้ความยุติธรรมแก่ทุกฝ่ายและเพื่อให้ความสุขความพอใจแก่เด็กขอให้ทั้งสองฝ่ายมีสิทธิ์เป็นเจ้าของเด็กน้อยเท่าเทียมกันและช่วยกันเลี้ยงดู และเป็นเจ้าของฝ่ายและหกเดือนคือให้อยู่ในกรุงสาวัตถีก่อน6เดือนแล้วก็ให้ไปอยู่กรุงพาราณสีหเดือนสลับกันไปมาอย่างนี้จนกว่าเด็กน้อยจะเจริญเติบโตมีครอบครัวของตนเองคู่พิพากษาทั้งสองฝ่ายต่างยินดีรับการตัดสินของท่านผู้พิพากษาในที่สุดเมตียเศรษฐีก็ยกกองเกวียนกลับสู่กรุงพาราณสีโดยไม่ได้มีทิดาน้อย ติดตามไปด้วย จะกลับกรุงพราณาศีเมติยาเศรษฐีและนางคลือหัปตานีได้ตกลงกันในข้อปีกย่อยต่างๆอีกหลายข้อเช่นเมื่อลีโรดีอยู่ในที่แห่งหนึ่งครบ6กเดือนแล้วจะต้องให้ฝ่ายนั้นเป็นผู้จัดการนําตัวลีโรดีไปส่งให้กับอีกฝ่ายหนึ่งและเมื่อเธอจเจริญวัยสมควรจะมีคู่ครองได้แล้วฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะเป็นผู้จัดการในเรื่องคู่ครองแต่ลําพังไม่ได้ จะต้องได้รับความเห็นชอบของอีกฝ่ายหนึ่งก่อนเป็นอาทิตย์เป็นอันว่าในหกเดือนแรกลีลวดีน้อยได้ใช้ชีวิตอยู่ในอ้อมอกของนางกฤหาปัตานีมารดานในอดีตชาติของเธอด้วยความสุขสําราญยิ่งนางกฤหาปัตานีได้ทะนุถนอมเอาอกเอาใจเธอทุกอย่างไม่ว่าเธออยากจะทําอะไรอยากจะได้อะไรหรืออยากจะไปไหนหนางจะรุโนลมตามทั้งสิ้น มีอย่างเดียวเท่านั้นที่นางไม่สามารถจะอนุโลมตามได้นั่นก็คือความปรารถนาของเด็กหญิงที่จะเดินทางไปสู่กลุ่มราชเกลืนางได้พยายามทุกวิธีทางที่จะให้ทิดาของตนลืมอดีตอันขมขื่นนั้นเสียเช่นพยายามพูดให้ลูกๆของเหล่าญาติที่มีวัยเสมอกันมาเล่นหัวด้วยแต่ก็ไม่ค่อยได้ผลเพราะลืเราดีน้อยไม่ค่อยสนใจที่จะเล่นกับเด็กๆ รุ่นราวข่าวเดียวกันเลยตรงกันข้ามเธอกับชอบเล่นชอบคุยกับผู้ใหญ่คลุกคลีอยู่กับผู้ใหญ่มากกว่ากับเด็กๆลีลาวดีน้อยแสดงความสนอกสนใจเป็นพิเศษในพระพิสุทุกครั้งที่เห็นพระพิสุเดินผ่านไปเธอจะต้องจ้องดูด้วยความเอาใจใส่และอุทานออกมาเสมอว่าดูคล้ายกับเรวตเัตเตอร์เกินจนกระทั่งนางเครือหัปปตานี สั่งห้ามม่ให้ทุกคนในบ้านเอ่ยถึงเรวัตะและกลุ่มราชคฤก์กลุ่มราชคฤก์อยู่ไกลมากนะลูกเอ่ยนางบอกทิดาน้อยทุกครั้งที่เธอขอร้องให้พาไปอย่างกลุ่มราชคฤก์แม่ได้ทราบว่านราครราชฤกษ์อยู่ห่างออกไปทางที่ตวนออกเป็นระยะทางหลายร้อยโยชน์ขนทางเต็มไปด้วยภัยอันตรายน า, นานาชนิดคนเดินทางจะต้องไปกันเป็นพักพวก จำนวนนับร้อยและมีอาวุธครบมือจึงจะเอาชีวิตรอดไปถึ ง, งลกลุ่มราชคลื่ได้ขอให้ลูกอดทนไปก่อนเมื่อลูกเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่แล้วแม่จะจัดการให้คนพาไปให้ อยาอยู่ที่กรุงสาวัตถีครบหเดือนแล้วนางกฤหัปตานีก็จัดขบวนเกวียนและคนคุ้มกันเป็นจํานวนมากพร้อมด้วยของขวัญอันมีค่าต่างๆให้นําลีลาวดีไปส่งแก่เมติยาเสถีที่กรุงพาราณสีตามสัญญาเมื่อเห็นทิดาคนเดียวกลับมานางเมตยาก็ตรงเข้าไปสวมกอดลูกน้อยร้องไห้ด้วยความปลื้มปิติเป็นเวลานาน จึงได้ถามข่าวๆต่างๆจนธิดาน้อยตอบแทบไม่ทันการที่ธิดาน้อยจากไปอยู่กับคนอื่นเป็นเวลาตั้ง6กเดือนดูเหมือนจะทำให้เมติยาเศรฐีและภรรยารักและเอาใจใส่ลูกมากขึ้นหลายเท่าธิดาน้อยจึงได้ใช้ชีวิตอยู่ในกรุงพาราสีด้วยความสุขสำลานเช่นเดียวกับเจ้าหญิงไม่ว่าธิดาน้อยจะต้องการสิ่งใดมาดาบิดาก็จะรีบหามาให้ โดยไม่ต้องให้บอกเป็นครั้งที่สองแต่ก็เช่นเดียวกับเมื่ออยู่กรุงสาวัตถีลีลาวดีน้อยจะรบเราวิ่งวอนบิดาให้พาไปกรุงาราชคลึแทบไม่เว้นแต่ละวันท่านเศรษฐีก็ใช้วิธีผัดผ่อนโดยอ้างเหตุผลนักต่างเช่นเดียวกับนางคลึหัปัตตานีขณะที่ลีลาวดีผัดเปลี่ยนไปอยู่กับมาดาบิดาทั้งสองฝ่ายฝ่ายละหกเดือนอย่างนี้วันเวลาก็ผ่านไป จากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีจากหนึ่งปีก็เป็นหลายปีจนกระทั่งลีลาวดีได้เจริญวัยเติบโตขึ้นเป็นหญิงสาวอายุ14ปีมีความงามเป็นเลิศกว่าหญิงสาวทั้งหลายทั้งในกรุงสาวัตถีและกรุงพารณาสีกวีบางคนได้มายนโฉมเธอถึงกับพรรณนาไว้ว่าใบหน้าของเธอกลมอูมมีรัศมี ส, มสดใสดุจพระจันทร์วันเพ็ง ในเดือนกัติกรมาตดวงตาของเธอกลมโตดำครับและมีประกายแววดุจตาเนื้อสายเมื่อยามตื่นตกใจคิ้วทั้งสองของเธอโก่งงอนดุจคันธนูที่ขึ้นสายแล้วริมฝีปากของเธอมีสีแดงดุจผลตำลึงสุกผมของเธอดำสลวยละเอียดอ่อนยาวประบ่าดุจปุ๋ยเมฆอุ้มฝนที่แขวนอยู่บนท้องฟ้า แขนทั้งสองของเธอเรียวงามกลมกลึงประดุจม่งวงช้างเธอเยื้องกลายไปมาด้วยดีลาอันอ่อนช้อยงดงามประหนึ่งลีลาของช้างยิ้มอันมีสเสน่ห์รุนแรงของเธอเป็นประหนึ่งมีดอันคมกริบคอยเชื่อเชอญหัวใจผู้ชายผู้ได้พบเห็นให้ขาดสะบั้นลงเพราะเหตุที่เดลวัดีมีความงามเป็นเอกเช่นนี้จึงเป็นที่ใฝ่ฝันปรารถนาของบรรดาเจ้าชายหนุ่ม และหนุ่มบุตรเศรษฐีเครือขบวดีพรามหาสารทั่วไปมีเจ้าชายหนุ่มและบุตรเศรษฐีเป็นอันมากส่งคณะทูตพร้อมด้วยของขวัญอันมีค่ามาสู่ขอเธอจากมารดาบิดาทั้งที่กรุงสาวัตถีและกรุงพารณาณสีมารดาบิดาของเธอทั้งสองฝ่ายก็ปรักถนาอย่างแรงกล้าที่จะให้ทิดาของตนเป็นฝั่งเป็นฝาเซียจะได้หมดปัญหายุ่งยากต่าง แต่เขามีความยุ่งยากที่แกไม่ตกอยู่สองประการคือประการแรกลีลาวดีไม่ได้แสดงความสนใจต่อชายคนใดเลยประการที่2มารดาของแต่ละแห่งก็อยากให้ลีลาวดีมีครอบครัวที่เมืองของตนเพื่อตนจะได้อยู่ใกล้ๆกับเธอตลอดชีวิตแต่เมื่อเสนอไปยังอีกฝ่ายหนึ่งก็ได้รับการคัดค้านจากอีกฝ่ายหนึ่งทันทีเหตุผลประการหลังนี้ เป็นประโยชน์อย่างมากสําหรับลีลาวดีเพราะมันเป็นเสมือนเกราะคอยป้องกันไม่ให้เธอต้องตกเป็นของชายใดในระยะนี้เองขณะที่ลีลาวดีกําลังพักอยู่กับนางเครืหปัปปตานีที่กรุงสาวัตถีก็ได้เกิดเหตุการณ์อย่างหนึ่งขึ้นความจริงเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นแผนการของนางเครืหปัปปตานีที่คิดขึ้นด้วยความหวังดีต่อลีลาวดีเองแต่เป็นเพราะความโง่ของนางเอง และความเฉลียวฉลาดเกินไปของดิราวดีเองจึงทําให้เกิดเหตุการณ์อันน่าเศร้าขึ้นกล่าวคือนางครือหาปตานีมีความตั้งใจอย่างเด็ดเดี่ยวที่จะทําให้ดิราวดีลืมเรวัตเสียแต่เมื่อมองไม่เห็นทางใดที่จะทําให้เธอลืมได้นางจึงคิดที่จะใช้วิธีหนามยอกเอาหนาบงบงแม้ว่าวิธีนั้นจะเป็นวิธีที่ไม่สุดจดิตก็ตาม ยังมีบุตรของพรามหาสารในกรุงสาวัตถีคนหนึ่งซึ่งมีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับพระเลวะเตระและยังมีชื่อว่าเรวะตะเหมือนกันอีกด้วยนุ่มใหญ่เรวตะคนนี้มีความปรารถนาในตัวลีลวดีอย่างแรงกล้าและนางเครือหปตานีก็ชอบเขาด้วยแต่ลีลวดีไม่รู้จักชายคนนี้มาก่อนเลยนางจึงออกอุบายให้ญาติห่างๆหลายๆคน มาบอกกับลีลาวดีว่าบัดนี้พระเรวตะคนรักเก่าของเธอได้ลาสิขาออกมาเป็นเครือขัดแล้วและได้เดินทางจากกรุงราชกรุมาอยู่ที่กรุงสาวัตถีหลายวันแล้วเมื่อได้ข่าวเช่นนี้ลีลาวดีก็ไม่เชื่อแต่เมื่อมีคนมาพูดให้ฟังบ่อยเข้าเธอก็ชักสงสัยเหมือนกันพวกญาติยังบอกด้วยว่าเรวตะปรารถนาจะพบกับอีลาวดีอย่างแรงกล้า ถ้าได้รับอนุญาตจากรีราวดีเมื่อใดก็จะมาพบทันทีนางเครือหปตานีได้ไปพบกับหนุ่มเลวตะเป็นการส่วนตัวและก็เล่าเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างดีราวดีกับพระเลวตะในอดีตชาติให้เขาฟังอย่างละเอียดและแนะนำทางนีทีไล่ต่างๆให้เรียบร้อยแล้วในที่สุดดีราวดีก็ตัดสินใจจะพบเลวตะนางเครือหปฏานีดีใจมาก เพราะเชื่อว่าแผนการของตนจะต้องสำเร็จเพราะเขาเชื่อว่าลีลาวดีจะจาเรวัตะไม่ได้แน่แน่ในที่สุดคนทั้งสองก็ได้เผชิญหน้ากันลีลาวดีจ้องดูเรวัตะตัวร้อมอย่างจริงจังอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็ถามขึ้นว่าความลับย่อมไม่มีในโลกถ้าไม่มีคนอื่นตัวท่านเองก็ย่อมรู้เวลานี้ท่านรู้ว่าอย่างไรรู้ว่าตนเอง เป็นเรวตะคนลักของข้าพเจ้าหรือรู้ว่าท่านเองเป็นเรวตะอีกคนหนึ่งต่างหาก ให้ได้วาตัดตัวปลอมเกิดความเก้อเขินงกเงื่อนจนพูดไม่ออกลีลาวดีไม่รอฟังคาตอบของเขาเสียบได้ซ้ำไปพอถามเสร็จเธอก็หันหลังออกเดินหน้าบึ้งเข้าห้องปิดประตูขังตัวเองแล้วก็ร้องไห้ลีโาวดีเอ้ยเธอข้าควรกับตนเองเจ้าทำกรรมอะไรไว้นอเกิดมาชาติไหนจึงถูกแต่คนอื่นแม้กระทั่งมารดา แะญาติสนิทของตนเองหลอกลวงมิได้หยุดยอนเมื่อไหรน่นอเจ้าจะหมดกรรมสิ้นเวรประสบความสุขความสมหวังในเรื่องของความรักเสียทีนางเครือหับปตานีและเหล่าญาติผู้เริ่มมือกันวางแผนการ เมื่อเห็นแผนการของตนล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงก็เกิดความเสียอกเสียใจทุกคนได้เข้าหาลีลาวดีรับสารภาพผิดและขอให้ลีลาวดีให้อภัยลีลาวดีก็พูดขึ้นว่าเมื่อครั้งสุวัฒนกุมารในชาติก่อนลีลาวดีก็ให้อภัยแก่แม่แล้วคราวนี้ลีลาวดีก็ยินดีให้อภัยแก่แม่เช่นเดียวกันแต่แม่สิไม่เคยเห็นใจลีลาวดีเลย มีแต่คอยบังคับจิตใจของลีลาวดีเรื่อยไปถ้ารู้อย่างนี้ลีลาวดีคงไม่กลับมาเกิดอีกถึงเกิดอีกก็จะไม่กลับมาให้เห็นหน้าคำพูดของลีลาวดีเป็นเสมือนมีดอันแหลมคมเสียดแทงหัวใจของมารดาให้เจ็บปวดนางร้องไห้ฟูงฟายและให้คำมั่นสัญญาอย่างมั่นเหมาะว่าจะไม่กระทำการใดๆซึ่งจะเป็นการข่มเหงน้ำใจ ของลีลาวดีอีกจะให้เสรีภาพยั่งเต็มที่แกเธอในเรื่องของความรักตั้งแต่นั้นมาคฤหาดของนางคฤหาบตัานีก็ปิดตายสำหรับชายหนุ่มและแม่หนุ่มทั้งหลายที่มาเจรจาสู่ขออีกคราวหนึ่งขณะที่กำลังพักอยู่ที่กรุงพารณาณสีลีลาวดีก็ต้องประสบกับเรื่องน่าเศร้าอีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นแผนการของมาดาธเธอสร้างขึ้นด้วยความรัก และความหวังดีต่อเธอเองกล่าวคือเมื่อเห็นว่าลีลาวดีไม่ได้สนใจต่อชายอื่นและทราบดีว่าผู้ประศักด์สำคัญก็คือเรวตะภิกษุนางเมตียะครืหบดีก็ได้ออกู่บายให้คนเล่าลือกันว่าพระเรวตะที่อยู่กลุ่มราชครึ่งนั้นได้ถึงแก่วรรณะกรรมเสียแล้วเมื่อได้ทราบข่าวนี้แทนที่ลีลาวดีจะเสียอกเสียใจหมดหวังในเรวตะ และยินดีรับรักกับเจ้าชายผู้มั่งคั่งองค์หนึ่งที่มารดาบิดาเห็นชอบเธอกลับแสดงอาการเฉยเมยต่อข่าวลือนั้นเพราะเธอรู้สึกคล้ายๆกับว่ามีอะไรมาบอกเธอว่าเรวตะยังมีชีวิตอยู่ลืมเขาเสียเถอะลูกเอ๋ยมารดาในชาติปัจจุบันปลอบโยนเพราะไหนๆเขาก็ตายไปแล้วไม่มีประโยชน์อะไรดอกแต่เขายังมีชีวิตอยู่นะ ลีดาวดีคัดค้านลูกรู้ได้อย่างไรว่าเขายังมีชีวิตอยูอ่แล้วแม่รู้ได้อย่างไรว่าเขาตายแล้วลีดาวดีย้อนถามก็เขาลือกันทั่วไปหมดว่าเขาตายแล้วแม่เชื่อหรือว่าข่าวลือเป็นความจริงเสมอไปคําถามอัญชันฉลาดของลีโดดีทําให้มารดานิ่งอึ้งไปทันทีขอให้แม่หยุดพูดเรื่องเลวตาเสียีลีดาวดีกล่าวอย่างได้ทีถ้าไม่หยุด ลีลาวดีก็หนีไปอยู่กรุงสาวัตถี ค, คําคูของลีลาวดีได้ผลดีที่สุดเพราะเธอรู้ดีว่ามารดาของเธอไม่อยากจะให้เธอจากไปตั้งแต่นั้นมาทุกคนก็ไม่กล้าพูดเรื่องของเรวตตอีกโดยทํานองนี้อีกหนึ่งปีผ่านไป นครหลวงแห่งมครัชหลังจากปราบพวกนิคร ล, ลงได้ในการโต ว, วาทีแล้วเกียรติยศชื่อเสียงของพระเลวตะเถระก็แผ่กระจายไปทั่วกรุงและตามนิครนชนบทใกล้เคียงยังความอิจฉาลิสยาและความพยาบาทให้เกิดแก่เหล่านักบวชนอกพระพุทธศาสนาอีกหลายพวกในจำนวนนี้ศาสดาสัญชัยเวรัตบุตรผู้เคยเป็นอาจารย์ของพระสาลีบุตร และพระโมคคัลลานะดูจะเกิดความอิจฉาลิษยามากกว่าศาสดาองค์อื่นๆทั้งนี้ก็เพราะท่านมีความแค้นเคืองเป็นทุนเดิมอยู่แล้วตั้งแต่คราวที่ท่านต้องสูญเสียสาวกสําคัญทั้งสองให้แก่พระสมณะโคดมแต่ว่าบุญญาธิการของพระพุทธองค์ยิ่งใหญ่กว่าของท่านมากท่านจึงขมใจอยู่ในอาการอันสงบตลอดมาจนกระทั่งบัดนี้ เหตุการ์ร้ายแรงได้เกิดขึ้นแก่พระพุทธศาสนาเพราะการกระทำของพระเทวทัตทำให้ฐานะของพระพุทธศาสนาในแดนมกรสันสะเทือนท่านสังชัยจึงเห็นเป็นโอกาสเหมาะที่จะจัดการแก้แค้นศัตรูเก่าข่าวการพ่ายแพ้ของพวกนิกรนต่อพระภิกษุสาวกของพระสัมณโคดมเป็นเสมือนน้ำมันซึ่งลาดลงไปบนไฟแห่งความอาฆาตของท่าน ท่านเกือกบจะประกาศโตวาทีกับพระเลวตะด้วยตนเองอยู่แล้วแต่ถูกบรรดาสาวกทัดทานไว้อย่าเลยท่านอาจารย์ท่านอาจารย์เป็นถึงศาสดาเจ้ารัติมีฐานะและศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับพระสมณะโคดมทุกประการท่านอาจารย์ควรจะได้โตวาทีกับพระสมณะโคดมจึงจะถูกถ้าท่านอาจารย์ลดเกียรติลงไปโตวาทีกับสาวกเล็กๆคนหนึ่งของพระสมณะโคดม ก็เท่ากับยอมเอาทองคําธรรมชาติไปแลกกับทองเหลืองซึ่งไม่คุ้นค่าแก่กันเลยอีกประการหนึ่งบัดนี้ท่านอาจารย์ก็อยู่ในวัยชราภาพมากแล้วขอจะได้ลำบากไปต่อสู้กับคนหนุ่มเลยขอให้เป็นหน้าที่ของบรรดาสิทธ์ทั้งหลายของท่านอาจารย์เถิดท่านอาจารย์สัญชัยเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของสิทธิทันทีเพราะตามความเป็นจริงนั้นท่านเองก็รู้สึกขยับหวาดห ว, วัน ตพระเรวตอยู่บ้างเพราะการที่พิสุรูปนี้สามารถชนะวีรศีหะและติฐปาละสาวกชั้นยอดของศาสดามหาวีระได้ก็แสดงว่าเขามีความกลิงกล้าสามารถในเชิงคาลมไม่น้อยถ้าท่านสชใจไปโต้ด้วยตนเองบางทีอาจจะพ่ายแพ้และถ้าท่านพ่ายแพ้ก็จะเป็นการนำความหายนะมาสู่หมู่คณะอย่างสิ้นเชิง เพราะเป็นถึงศาสดาเจ้าลัติแล้วยังไปพ้าแพ้ต่อสาวกน้อยๆของพระสมณโคดมได้และที่ของท่านก็จะต้องถึงแก่การอวสานอย่างแน่นอนแต่ถ้าท่านให้สาวกคนใดคนหนึ่งไปโต้แทนแม้จะแพ้ก็ไม่กระทบกระเทือนต่อหมู่คณะแต่อย่างใดตำริ่ชนิดแล้วท่านก็สั่งให้บรรดาสาวกประชุมกันเลือกตัวแทนไปโต้กับสาวกของพระสมณโคดม หลังจากพิจารณาคัดเลือกกันอย่างละเอียดทีท้วนเป็นเวลานานเสียงส่วนมากก็เห็นควรให้สาวกหนุ่มคนหนึ่งชื่อสุรเมทะเป็นผู้แทนตนเข้าโต ว, วาทีกับฝ่ายพุทธบริษัทสุรเมทะเป็นบุตรของพระมหาสารคนหนึ่งในกรุงราชคลึสำเร็จการศึกษาจากสำนักอาจารย์ที่สาปโามกแห่งเมืองตกศิลาหลังจากกลับบ้านตกากศิลามาถึงบ้านแล้ว เขาก็ได้สนใจศึกษาลทัทธิและาศาสนาต่างๆอยู่เป็นเวลานานแต่ไม่รู้สึกพอใจต่อลทัทธิศาสนาใดต่อมาเขาได้รู้จักกับลัทธิของาศาสนาสนใจและรู้สึกพอใจมากจึงได้มอบตนเป็นศิษย์ความเป็นผู้รู้สูตรและความกล้าสามารถในเชิงวาทะของเขาทาให้เขากลายเป็นสาวกชั้นนำของท่านสันชัยและก็เป็นที่ยอมรับนับถือ อย่างสูงของบรรดาสาวกทั่วไปแม้ว่าอายุของเขาจะอย่างน้อยก็ตามเมื่อเลือกได้ตัวแทนที่เหมาะสมแล้วท่านสันชัยเวรัตบุตรก็ส่งทูตมาเจรจาท้าโต ว, วาทีกับพระเลวะตะทันทีฝ่ายพระเลวะตะและพุทธบริษัทซึ่งได้ทราบข่าวมาล่วงหน้าแล้วก็ตกลงรับทันทีแต่มีเงื่อนไขยอยู่ว่าขอให้ฝ่ายสันชัยมาโต ว, วาทีที่พระเวรุวานาราม ฝ่ายสัญชัยก็ไม่ขัดข้องติอย่างใดเพราะเชื่อในความรู้ความสามารถของผู้แทนฝ่ายตนว่าโต้ที่ไหนที่ไหนก็อาจจะเอาชนะได้ทั้งนั้นเมื่อตกลงวันเวลากันแล้วก็มีการตีกองปล่าประกาศไปทั่วกลุ่มราชคลึกว่าสุลเมทะผู้แทนฝ่ายสันชัยจะโต้วาทีกับพระเรวตัตตผู้แทนฝ่ายพุทธบริษัท ที่พระเวรุวณารามในวันนั้นเวลานั้นประชาชนได้ฟังประกาศแล้วต่างก็ตื่นเต้นยินดีคอยวันโตวาทีด้วยความกระหายในที่สุดวันอันสำคัญยิ่งนั้นก็มาถึงธรรมศาลาอันกว้างใหญ่ไพศาลของพระเวรุวันเต็มแน่นไปด้วยนักบวชทุกลัทธิศาสนาและประชาชนทุกชั้นวรรณะที่ล้นหลามจากธรรมศาลาออกไป นั่งอยู่ตามร่มไม้รอบๆธรรมศาลาก็ามากเมื่อได้เวลาพระเรวตะเถระก็ก้าวขึ้นสู่ธรรมระเผชิญหน้ากับหนุ่มสุระเมทะโดยการตกลงยินยอมของทั้งสองฝ่ายเทวมิตรอุบาสกเองก็ได้ทำหน้าที่เป็นประธานในการโตวาทีวันนั้นแต่ ก, กฎกติกาต่างๆก็คงเป็นแบบเดียวกับที่เคยใช้มาแล้วในคราวโตวาทีกับนิครณ ในฐานะที่พระเท ว, วตเป็นเจ้าของถิ่นจึงได้รับเกียรติให้เป็นผู้ถาปัญหาก่อนท่านสุรเมธะผู้มีอายุพระเถระกล่าวขึ้นหลังจากประธานกล่าวแนะนําตัวจบลงแล้วก่อนอื่นข้าพเจ้าต้องขอสารภาพต่อท่านตามความเป็นจริงว่าข้าพเจ้าเองมีความรู้เกี่ยวกับลัทธิของท่านน้อยมากฉะนั้น การโตวาทีวันนี้จึงเป็นโอกาสอันดีที่ข้าพเจ้าจะได้เรียนรู้ลัทธิของท่านเท่าที่ข้าพเจ้าได้ยินได้ฟังมานั้นได้ทราบว่าลัทธิของท่านเป็นอเยยวาคือถือว่าความจริงเป็นสิ่งที่บุคคลไม่พึงรู้ได้ใช่หรือไม่ใช่แล้วท่านผู้เจริญสุรเมธาตอบความจริงแท้เป็นสิ่งที่บุคคลรู้ไม่ได้ สิ่งที่บุคคลรู้ได้ไม่ใช่ความกิงแท้ท่านพอจะเข้าใจหรื อ, อยังข้าพเจ้ายังไม่เข้าใจพระเถระตอบรู้สึกว่าลัที่ของท่านมีอัฏถอันสุขุมลุ่มลึกมากและผิดแผกแตกต่างจากลัที่อื่นๆเกือบจะตรงกันข้ามทีเดียวเพราะลัที่อื่นๆถือว่าความจริงเป็นสิ่งที่คนรู้ได้ดีละท่านผู้เจริญสุลมาะพูดยิมย้มยิ้ม ด้วยความหวังว่าจะชนะแม้แต่ศาสนาของท่านก็ยังถือว่าความจริงเป็นสิ่งที่คนรู้ได้ใช่หรือไม่ใช่แล้วพระเถระตอบและเราก็ถือว่าการรู้ความจริงเป็นหลักสําคัญที่สุดของศาสนาเราข้าพเจ้าอยากให้ท่านยืนยันความจริงบางอย่างที่ท่านว่าท่านเชื่ออย่างแน่นอนแก่ข้าพเจ้าโปรดยกตัวอย่างความจริงง่ายๆ ที่ทุกคนพอจะเข้าใจได้พระเถระนั่งนิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็หยิบเอาชายจีวรของตนขึ้นมาชูไว้เบื้องหน้าแล้วก็ถามว่าท่านผู้มีอายุผ้านี้สีอะไรผ้านั้นจะเป็นสีอะไรอย่างแท้จริงข้าพเจ้าไม่ทราบสุรเมธะตอบอย่างไว้รวดายตามลติีของตนอย่างเคร่งครัดข้าพเจ้าไม่มีทางจะทราบได้เลยว่า สีที่แท้จริงของผ้านั้นคืออะไรคำตอบอันมีชั้นเชิงของเขายังความพอใจให้เกิดแก่บรรดาสาวกของสังชัยเป็นอย่างมากแต่ในขณะเดียวกันก็ทำให้พุทธบริษัทเกิดความอึดอัดใ จ, จยอย่างมากรู้สึกว่าสุลเมทะเป็นคนเจ้าคาลมและมีเล่ห์เหลี่ยมที่จะเอาชนะได้ไม่ง่ายเลยท่านตอบได้ดีมากสุลเมทะพระเถระกล่าวชมเชย เอาเถอะถึงท่านจะไม่ทราบว่าสีที่แท้จริงของผ้านี้คืออะไรข้าพเจ้าก็เชื่อว่าท่านต้องเห็นผ้านี้แน่ๆเพราะท่านมีจักสุขทั้งคู่บริบูรณ์ดีและสีของผ้าผืนนี้จะเป็นอะไรก็าตามก็คงปรากฏแก่สายตาของท่านแน่ๆข้าพเจ้าไม่ต้องการทราบสีที่แท้จริงของผ้าผืนที่ดอกต้องการทราบเฉพาะชื่อของสีเท่าที่ปรากฏแก่สายตาของท่านเวลานี้เท่านั้นแต่เอาเถอะ ท่านยังไม่อยากจะตอบข้าพเจ้าก็จะขอถามคนอื่นๆลองดูก่อนพระเถระชูชายกีวรนไปยังกลุ่มคนฟังและก็ถามว่าสีเท่าที่ปรากฏแก่สายตาของท่านเวลานี้คือสีอะไรสีเหลืองําอุบาสกสองสาคนตอบขึ้นพร้อมกันพระเถระได้หันไปทางสุลามธทะแล้วกล่าวขึ้นด้วยคำถามข้อเดียวกันว่า สีเท่าที่ปรากฏแก่สายตาของท่านเวลานี้คือสีอะไรข้าพเจ้าไม่ตอบสุลามีทะตอบยืนยันแบบเดิมแม้คนอื่นจะตอบว่าสีเหลืองครับแต่เป็นเพียงทัศน์ส่วนตัวของเขาเท่านั้นถ้าท่านเอาให้คนอื่นๆดูอาจจะมีบางคนที่เห็นเป็นสีดําสีแดงสีเหลืองบริสุทธิ์และสีอื่นๆ อ, อ, อีกถ้าท่านเอาให้ม้าดูม้าอาจจะเห็นเป็นสีหนึ่ง ควายอาจจะเห็นเป็นสีหนึ่งวัวอาจจะเห็นเป็นอีกสีหนึ่งแพะอาจจะเห็นเป็นสีหนึ่งก็เมื่อเป็นเช่นนี้จึงไม่มีใครทราบได้ว่าสีที่แท้จริงของมันคืออะไรเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงตอบท่านว่าไม่ทราบคําตอบอันแพล่พร้าเต็มไปด้วยความประมาท ร, ระวังอย่างยิ่งยวดของสุรเมธะถึงกับทําให้พระเลวะตะเถระนิ่งอึ้งไปทีเดียวท่านเริ่มเห็นแล้วว่า เขาเป็นคู่ต่อสู้ซึ่งจะเอาชนะง่ายๆอย่างพวกนิครณไม่ได้เสียแล้วท่านคิดว่าบางทีตัวอย่างชายจีวรที่ท่านยกมาถามอาจจะเป็นตัวอย่างไม่เหมาะสมมีช่องโวสําหรับให้คู่ต่อสู้หลบหลีกได้เพื่อจะให้ตัวอย่างที่รัดกุมสําหรับผูกมัดรัดตัวคู่ต่อสู้ให้กระชับยิ่งขึ้นท่านจึงถามว่าท่านสุรเมธา ที่ท่านปฏิเสธว่าไม่รู้จักสีของชายจีวร น, นั้นนับว่าชอบแล้วแต่ท่านคงจะยอมรับว่าบุรุษที่ชื่อว่าสุรเมทะสาวกผู้มีชื่อของท่านสันชัยมีอยู่และเวลานี้กําลังนั่งอยู่บนธรรมาต์สนทนากับข้าพเจ้าอยู่ท่านจะกล้าปฏิเสธตัวท่านเองหรือไม่ข้าพเจ้าไม่ปฏิเสธแต่ก็ไม่รับข้าพเจ้าไม่รู้ว่า ข้าพเจ้ามีอยู่หรือไม่คำตอบของสุรเมธะทําให้ประชาชนหัวเราะครื้นด้วยความพอใจแต่ก็มีประชาชนบางคนที่ไม่พอใจต่อคําตอบของเขาเห็นว่าเขาเล่นลิ้นเพื่อชักนําให้คู่ต่อสู้หัวเสียมากกว่าที่จะเป็นการสนทนาโต้ตอบกันอย่างมีสาระเป็นอันว่าท่านไม่รู้ว่าท่านคือใครพระเถระย้าถามอีกข้าพเจ้าไม่รู้ว่า ข้าพเจ้าเป็นอะไรแน่สำหรับคนอื่นข้าพเจ้าอาจจะเป็นชายหนุ่มชื่อสุระเมทะสาวกของศาสดาสันชัยแต่สำหรับคนอื่นๆหรือสัตว์อื่นๆอาจจะเห็นข้าพเจ้าเป็นอย่างอื่นไปอีกข้าพเจ้าเลยไม่รู้ว่าข้าพเจ้าตัวจริงเป็นอะไรแน่เมื่อครั้งข้าพเจ้ายังเป็นเด็กข้าพเจ้าเคยนอนหลับฝันไปว่าข้าพเจ้าเป็นนกจับอยู่บนต้นไม้บินชวดฉวียนไปมา ม่อากาศกับเพื่อนนกทั้งหลายอย่างมีความสุขกินผลไม้บนต้นไม้และร้องเพลงอย่างสุขสําราญใจไม่นขนาดนั้นข้าพเจ้าไม่มีความคิดเลยแม้แต่น้อยว่าข้าพเจ้าเป็นมนุษย์เมื่อข้าพเจ้าตื่นขึ้นมาข้าพเจ้าก็เลยไม่รู้ตัวเองว่าเป็นอะไรแน่อาจจะเป็นนกที่กําลังฝันว่าตัวเองเป็นมนุษย์ก็ได้คําตอบและตัวอย่างอันคุมคายของสุรเมทะ ทำให้ประชาชนปรบมือชมเชยเสียงดังกึกก้องอารามพวกสาวกของสันชัยต่างหันไปยิ้มมองดูกันอย่างเต็มไปด้วยความหวังตรงกันข้ามกับชาวพุทธซึ่งจ้องดูผู้แทนฝ่ายตนด้วยใบยหน้าแสดงความกังวลใจยิ่ง ท่นสุระเมธะพระเถระกล่าวขึ้นหลังจากนั่งคิดหาวิธีผูกมัดคู่ต่อสู้ให้อยู่มือเป็นเวลานานพอสมควรเท่าที่ข้าพเจ้าฟังท่านมาก็พอจะจับใจความได้ว่าท่านไม่ยอมเชื่อว่าคนเราจะรู้ความจริงได้แม้ท่านเห็นด้วยตาของท่านเองท่านก็ยังไม่เชื่อว่าตาของท่านจะรายงานความจริงให้ท่านทราบอย่างนั้นใช่หรือไม่ ถูกแล้วท่านพูดเจริญสุรเมธะตอบไม่เฉพาะตาเท่านั้นที่ข้าพเจ้าไม่เชื่อแม้แต่เสียงที่หูได้ยินกลิ่นที่จมูกได้ดมรสที่ลิ้นได้ลิ้มสัมผัสที่กายถูกต้องและอารมณ์ที่ใจคิดข้าพเจ้าก็ไม่เชื่อเหมือนกันข้าพเจ้าถือว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจยังเป็นสิ่งที่ไว้วางใจไม่ได้ เพราะบางครั้งสิ่งเหล่านี้ก็รายงานผิดๆให้เราทราบยกตัวอย่างเช่นถ้าท่านไปยืนตรงกลางถนนสายยาวๆแห่งกรุงราชกฤชท่านจะเห็นว่าถนนตรงที่ท่านยืนกว้างใหญ่แต่เมื่อท่านมองตามถนนไปข้างหน้าท่านจะเห็นว่าถนนแคบลงแคบลงจนกระทั่งข้างทั้งสองไปบรรจบกันจนดูเป็นถนนปิดตายท่านเชื่อหรือไม่ว่าถนนเป็นอย่างนั้นจริงที่ท่านเห็นด้วยตา ข้าพเจ้าไม่เชื่อพระเดวตะตอบพลางนึกชมเชยอุปมาอุปไมยอัญชานฉล า, าดของคู่ต่อสู้ถูกแล้วท่านผู้เจริญตามความเป็นจริงนั้นถนนย่อมมีความกว้างเท่ากันทั้งที่ที่ท่านยืนอยู่ทั้งที่ปลายถนนหาได้สอบลงสอบลงจนสองข้างจดกันเป็นปลายถนนตันอย่างที่ตาของท่านรายงานให้ท่านทราบไม่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 แต่ความเป็นจริงอาคารเหล่านั้นย่อมมีขนาดเท่ากับอาคารซึ่งอยู่ใกล้ๆท่านท่านผู้เจริญเมื่อเป็นเช่นนี้ท่านจะเชื่อได้อย่างไรว่าตาของท่านรายงานความจริงให้ท่านทราบเมื่อตาเป็นของเชื่อไม่ได้หูจมูกลิ้นกายใจจะเชื่อได้อย่างไรพระเถระเห็นว่าสุลเมทะเป็นผู้เชื่อมั่นในทัศนะของตนเพราะยังมีวิธีการอธิบาย ด้วยอุปมาอุปไมยอันฉลาดสามารถชักนําให้คนเห็นตามได้เป็นอย่างดีถ้าจะผืนปล่อยเวลาให้เขาอธิบายเนิ่นนานออกไปท่านอาจจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบยิ่งขึ้นทางที่ถูกท่านควรจะหยิบยกเอาคําอธิบายของคู่ต่อสู้นั้นเองมาเป็นเครื่องมือผูกมัดเขาให้จนมุมเพราะเท่าที่เขาอธิบายมาก็ปรากฏว่าเขาได้ทิ้งช่อง ว, วูไว้พอที่จะเข้าโจมตีได้ ท่านจึงพูดขึ้นว่าท่านสุรเมตทะผู้มีอายุคําอธิบายพร้อมทั้งอุปมาอุปไมยของท่านทําให้ข้าพเจ้าเข้าใจทัศนะของท่านได้แจ่มแจ้งขึ้นมากเมื่อสักครู่มานี้ท่านอธิบายว่าท่านไม่เชื่อตาของท่านเพราะตาของท่านไม่ไรายงานความจริงให้ท่านทราบตัวอย่างเช่นถนนยาวๆซึ่งมีความกว้างเท่ากันตลอดจะดูกว้างเฉพาะตรงที่เรายือนอยู่ แต่จะดูสอบลงสอบลงจนกระทั่งทั้งสองข้างจดกันในระยะไกลออกไปภาพที่ท่านเห็นนั้นเป็นภาพลวงไม่ใช่ของจริงใช่หรือไม่ใช่สิท่านผู้เจริญสุรเมธะยืนยันข้าพเจ้าก็ได้อธิบายแล้วแต่ความจริงมีอยู่ว่าปลายทั้งสองข้างของถนนนั้นมีความกว้างเท่ากันใช่หรือไม่ใช่แล้วสุรเมธะตอบ ด้วยท่าทางและสุ้มเสียงแสดงความลังเลท่านรู้ได้อย่างไรว่าถนนนั้นมีความกว้างเท่ากันตลอดข้าพเจ้าอาจพิสูจน์ได้ด้วยการเดินไปตามถนนนั้นจนตลอดสายเมื่อเดินไปถึงที่สุดแล้วข้าพเจ้าและทุกๆคนก็จะพบว่าปลายถนนมีความกว้างเท่ากับต้นถนนหาได้สอบดังที่ตาเรารายงานให้ทราบไม่เอาละ ท่านผู้มีอายุพระเถระกล่าวอย่างหนักแน่นด้วยความหวังข้าพเจ้าอยากจะขอให้ท่านย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าภาพที่ต้นถนนกว้างปลายถนนแคบจนติดกันตามที่ท่านเห็นนั้นเป็นภาพมายาไม่ใช่ของจริงความจริงมีอยู่ว่าถนนมีความกว้างเท่ากันตลอดใช่หรือไม่ใช่สุรเมธะยืนยันอีกครั้งหนึ่งท่านสาธุชนทั้งหลายพระเถระ หันไปประกาศแก่คนฟังโปรดจำคำยืนยันของท่านสุรเมธะไว้ด้วยเพื่อเป็นพยานแก่ข้าพเจ้าท่านสุรเมธะประกาศว่าภาพถนนที่เลียวเล็กลงตามที่ตาเห็นนั้นเป็นภาพมายาความจริงถนนมีความกว้างเท่ากันตลอดสายพระเถระหันไปยังคู่ต่อสู้อีกครั้งหนึ่งแล้วกล่าวว่าท่านสุรเมธะเป็นอันว่าบัดนี้ท่านยอมรับว่า ถนนสายดังกล่าวนั้นมีสองลักษณะคือลักษณะมายาตามที่ตาเห็นและลักษณะอันแท้จริงตามที่ท่านคาดคะเนไว้ด้วยใจใช่หรือไม่คำถามของพระเถระทําให้สุรเมทะนิ่งอึ้งไป ท, ทันทีเพราะถ้าจะยอมรับก็เท่ากับยอมรับว่าความจริงมีอยู่และความจริงนั้นสามารถรู้ได้ด้วยการพิสูจน์ซึ่งขัดกับทัศนะของลัทธิสันชยัย